สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายทหารคนชอบเล่าช่วงนี้นิทานกับธรรมะเงียบไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับแฟนนิทานกับธรรมะเดือนหน้าประมาณสัปดาห์ที่2ก็จะกลับมาครับคลิปนี้ก็มาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องปแปลกลึกลับหรือแม้กระท่ผีบ้างนะครับโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ได้มาจากคุณหนึ่งครับสมาชิกของเรานั่นเองเรื่องราวที่คุณหนึ่งแชร์มาจะเป็นยังไงบ้างลองฟังกันดูนะครับสวัสดีครับ ผมชื่อหนึ่งครับเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้เกิดในปี2551ครับปีนั้นผมเกณฑ์ทหารติดและหลังจากที่ฝึกเสร็จผมก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่บ้านนายในะจังหวัดชุมพรแต่จริงๆแล้วสังกัดของผมอยู่กรุงเทพนะครับไม่ได้ไปอยู่กับนายก็คอยทําสวนตัดหญ้าเพราะบ้านนายของผมนั้นมีสวนยางและก็มีอีกหน้าที่ก็คือคอยขับรถให้นายและด้วยความที่นายของผมอยู่นิ่งไม่ค่อยได้นาน เพราะเป็นคนชอบเดินทางจึงทําให้ตัวผมนั้นพลอมีโอกาสได้เที่ยวไปต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศนายผมท่านรู้จักคุณเยอะและเรื่องราวแปลกๆของผมมันก็เกิดขึ้นตอนที่เดินทางกับนายเนี่ยแะครับวันนั้นช่วงบ่ายๆหลังจากที่ได้พักเที่ยงแล้วผมก็กำลังจะตัดหญ้าต่อก็อพอดีนายก็โทร ม, มาบอกว่าให้เตรียมตัวออกเดินทางเพราะว่าจะไปอุทัยธานีเนื่องจากดุน้องของท่านนั้นเสียชีวิตกะทันหัน จึงทำให้ผมต้องรีบเตรียมตัวออกเดินทางจากจังหวัดชุมพรและเมื่อการเตรียมตัวพร้อมสับเราจึงได้ออกเดินทางกันเวลาที่ออกเดินทางก็คือบ่าย2องโมงนิดๆขับไปจนถึงจังหวัดอุทยัยเวลาก็เกือบสี่ทุ่มผมตั้งหน้าตั้งตาขับอย่างเต็มที่ส่วนนายของผมนั้นท่านหลับไปแล้วแต่ผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องปลุกท่านเพราะว่าผมไม่รู้เส้นทางพอปลุกนายนายก็ตื่นมาโบกแบบคร่าวๆและเมื่อไปถึงจุด ท, ที่ท่านบอกก็ต้องปลุกถามใหม่ ผมก็ขับไปเรื่อยๆตามที่ท่านบอกถ้าหากท่านที่เคยขับรถไปในทางที่ไม่เคยไปในเวลากลางคืนก็จะเข้าใจฟิลและบรรยากาศในตอนนั้นดีผมขับรถไปเรื่อยๆตามที่ท่านบอกไปตามถนนแยกออกจากถนนหลวงไปตามทางราพชผมก็ขับไปเรื่อยๆยิ่งขับมันก็ยิ่งลึกบ้านคนนานๆก็จะมีสักหลังพื้นที่ข้างถนนส่วนมากเท่าที่สายตาจะมองเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นไร่อ้อยกับทุ่งนา แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนายบอกว่าทางมันจะลึกหน่อยนะผมก็ขับไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เลยปลูกนายนายแกก็บอกว่าให้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจะเจอบ้านงานเลยพูดแค่นั้นท่านก็หลับต่อผมเลยต้องมุ่งหน้าต่อไปท่ามกลางข้างทางที่มืดมิดก็ได้แต่อาศัยเปิดไฟสูงเพื่อมองทางไปถามว่าบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงก็คงไม่ต้องบอกนะครับตามบ้านนอกนั้นไฟข้างทางหาได้น้อยมากแต่ณเวลานั้นก็ไม่ได้คิดอะไร ขับไปประมาณ20่วันนาทีและแล้วสําเร็จผมเจอป้ายของหมู่บ้านป้ายนั้นมันอยู่ตรงทางแยกพอดีเมื่อป้ายมันชัดเจนขนาดนั้นผมก็ตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปตามป้ายทันทีขับไปสักพักก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศข้างทางมันชีงเงียบเหลือเกินไม่ยักจะมีบ้านคนหรือแสงไฟจากบ้านงานแล้วจู่ๆถนนที่ลาดยางก็กลายเป็นถนนคอนกรีตและแคบลงผมก็ขับไปแบบช้าๆและสายตาผมก็แลบไปเห็นแสงไฟเรืองๆ อ, อยู่ข้างหน้า แต่จากระยะกับสายตาก็ยังถือว่าไกลแต่ผมก็คิดว่านั่นแหละแสงไฟจากบ้านงานใกล้ถึงแล้วสินะเราจะได้พักสักทีก็มุ่งหน้าขับต่อไปแล้วก็เกือบสิบนาทีที่ผ่านไปมันก็ยังไปไม่ถึงแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรราะว่าตาก็ยังมองเห็นแสงไฟจากบ้านงานนั้นอยู่ก็ขับต่อไปอีก15นาทีทีนี้จากถนนคันกรทีที่แคบแล้วมันกลับกลายเป็นลูกร้องมันแทกจะยังไงยังไงอยู่นะ แต่แสงไฟนั้นก็ยังอยู่แต่จากภาพที่ผมมองเห็นด้วยสายตานั้นสองข้างทางมันจะดูวังเวงมากรู้สึกได้ว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่นอกจากผมกับนายทางลูกรังที่รถวิ่งอยู่นั้นมันก็แคบมากจนรถไม่สามารถจะวิ่งสวนกันได้สองข้างทางลงไปก็เป็นท้องทุ่งนาอันเวงเวงดูแลไม่มีที่ใดเลยที่จะสามารถกลับรถได้มองนาฬิกาตอนนี้มันก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว สับสนและก็งงงวยมากว่าทําไมมันยังไปไม่ถึงสักทีนี่ก็ถือว่าขับเข้ามาลึกมากแล้วนะและก็เพราะด้วยพื้นถนนเป็นพื้นที่ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อรถก็โยกไปโยกมาจึงทําให้นายตื่นขึ้นมาและท่านก็ถามด้วยอาการที่งัวงเงียว่ายังไม่ถึงอีกเหรออย่างครับผมตอบท่านไปแล้วนายก็มองดู ร, บรอบๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางไปหมู่บ้านเอง็งมาจากทางไหนวะเนี่ยนายอุทานและถามผม ตอนนั้นผมได้ยินก็นิ่งรู้สึกสะกิดใจมองตรงไปหาแสงไฟข้างหน้าที่เห็นอ้าวตอนนี้มันไม่อยู่แล้วผมตกใจมากเพราะอยู่ดีๆแสงไฟที่ผมขับรถตามมาเพราะคิดว่าเป็นหมู่บ้านและเป็นบ้านงานนั้นได้หายไปแล้วผมรีบแหนไปบอกกับท่านว่าท่านครับผมขับรถไปถึงแยกแล้วก็มีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านผมก็เลยเลี้ยวเข้ามาครับและผมยังเห็นแสงไฟของหมู่บ้านด้วยครับก็เลยขับตามเข้ามาเรื่อยๆจนท่านตื่นเนี่แหละครับและแสงไฟก็หายไป ถึงได้รู้ว่าหลงผมอธิบายไปบ้าเอ้ยน่าจะปลูกข้านะนายบนแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำท่าจะโทรเอ้ยไม่มีสัญญาณนายอุทานผมเริ่มใจเสียที่จริงมันก็แอ บ, บเสียมานานแล้วเอาไงดีจะกลับรถก็ไม่ได้ก็ได้จะขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนมองดูเวลาก็ให้ตายสิจะตีหนึ่งอยู่แล้วง่วงก็ง่วงเครียดก็เครียดขับรถไปมุ่งหน้าเพื่อหาที่กลับรถ แต่ถึงแม้จะขับไปลิกขนาดไหนมันก็ไม่มีทางให้กลับรถจอดก่อนนายสั่งผมผมจึงชะลอรถแล้วก็จอดตรงนี้มีสัญญาณเดี๋ยวกูโทรไปให้คนมารับรอแป๊บนะนายสั่งผมและท่านก็คุยโทรศัพท์ไปที่จริงอ่ะขับไปอีกหน่อยก็ถึงหมู่บ้านแล้วแต่เอ็งเลี้ยวมาไงมันเลยหลงนายหันมาบอกผมก็ได้แต่นิ่งไม่กล้าพูดอะไรเพราะกูดโดนดา่าแล้วก็นั่งรอยอย่างนั้นประมาณ20นาที แล้วแวหูผมก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์กับเพ้นแสงไฟของรถประมาณ 3- าสี่คันกําลังขับเข้ามาหาจากฐานที่เราเข้ามาเขาพากันไปจอดตรงท้ายรถแล้วก็เดินเข้ามาหาสวัสดีนายของผมแล้วก็ถามนายผมว่าทําไมถึงหลงเข้ามาลึกขนาดนี้นายผมก็ตอบว่าคนขับมือใหมว่ว่ะแล้วหนึ่งในคนที่มารับก็บอกผมว่าพ่อหนุ่มขับตรงไปอีกนิดก็จะมีลาน ก, กว้างๆกลับรถได้เล ย, เลยแต่ก็อย่าตกใจและกัน <laughs> ผมก็งงสิอะไรจะตกใจอะไรจากนั้นผมก็ขับรถต่อไปในระยะไม่เกิน1 0อเมตรแล้วก็เจอลานกว้า ง, างจริงจริงด้วยมันน่าแปลกมากและที่ยิ่งกว่าแปลกก็คือถัดจากลานกว้างไปหน่อยด้วยแสงไฟของหน้ารถทำให้ผมเห็นเมนเผาศพตั้งอยู่แล้วก็มีเจดีย์สูงเรียงรายรอบๆไม่ต้องรอให้นายหรือใครสัง่งผมรีบกลับรถแล้วก็ขับตามชาวบ้านที่ไปรับจนถึงบ้านงานและสิ่งแปลกที่เกิดขึ้นในความคิดของผมก็คือ ไอตอนที่ขับหลงเข้าไปตรงนั้นทําไมมันนานจังแต่ขากลับออกมาแป๊บเดียวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเว้นในใจพอไปถึงถนนใหญ่ขับต่อไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงบ้านงานแล้วครับแสงไฟสว่างสวยคนก็เต็มบ้านเลยสรุปไปถึงบ้านงานก็เวลาประมาณตี2ก็กว่าเจ้าภาพก็จัดหาที่นอนให้คืนนั้นผมนอนเลยไม่อาบน้ํารู้สึกร้อนร้นหนาวห น, า, หนาพีก่กนด้วยความเพลียและก็เวิรนิดนิ ด, นดผมจึงหลับไปได้อย่างง่ายดาย มารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เก้าโมงเช้าแล้วอาบน้ํากินข้าวเสร็จก็มีชาวบ้านเข้ามาถามไทยผมก็เล่าทุกอย่างให้ฟังกันแล้วก็บอกด้วยว่ามีแสงไฟคิดว่าเป็นบ้านงานก็เลยขับรถตามเข้าไปและลุงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าทางนั้นเป็นทางไปป่าช้าของหมู่บ้านพอได้ยินผมก็รู้สึกเย็นวาบเลยกินข้าวกันเสร็จแกก็พาไปดูตรงทางแยกที น, นี้ผมถึงบางอ้อเลยป้ายหมู่บ้านที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้ที่จริงมันเขียนว่า ป่าช้าหมู่บ้านแต่ผมดันไปเห็นแค่คําว่าหมู่บ้านแล้วก็มีลูกศรใต้ตัวหนังสือด้วยชัดเจนทําไมตอนแรกถึงไม่เห็นตัวหนังสือว่าป่าช้าก็ลองมองดูจริงๆอีกทีนึงก็เลยเข้าใจว่าตรงคําว่าป่าช้ามันมีกิ่งไม้ของต้นไม้ บ, บังอยู่นั่นเองเลยทําให้ผมเข้าใจผิดคิดว่าป้ายบอกทางไปหมู่บ้านไอเรื่องหลงนะ่ะผมไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องของแสงไฟที่ผมคิดว่าเป็นบ้านงานแล้วขับตามเข้าไปนี่สิ ทุกวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้นี่เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ผมได้ไปเจอมาครับแล้วก็จบลงไปหนึ่งเรื่องนะครับจากคนหนึ่งนักเดินทางทีนี้มาต่อกันกันกบเรื่องราวของคุณลูกลาสแลปราซิ่งกันบ้างนะครับคุณลูกลาสแลปราซิ่งได้เล่าให้ฟังว่าสวัสดีครับตัวผมเองเป็นคนที่สงสัยและไม่เชื่อถือเรื่องศาสตร์ที่เหนือจากธรรมชาติเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะเคยเห็นสารพรัดลม ตามสถานที่ราชการและเอกชนที่มักจะมีศาลพระพรหมตั้งไว้ให้คารว บ, บูชากันนะครับถ้าเคยเห็นนั่นแหละครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับศาลนั้นเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ผมได้ไปศึกษาในมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนคปรปฐมได้ไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในหอพักแห่งนี้มีศาลพระพรหมตั้งอยู่ในอาณาเขตด้วยจากที่ผมสังเกตบางวันก็มีพงมาลัยกับข้าวทั้งข้าวและหวาน จากผู้ที่มีศรัทธานำมาถวายเป็นประจำด้วยความสงสัยผมจึงถามกับพี่ที่เป็นเจ้าของหอพักแห่งนี้ว่าพี่ถวายของแบบนี้แทบทุกวันเลยหรอครับและคําตอบที่ได้จากพี่เจ้าของหอพักก็คือพี่จะถวายสารพระพรเฉพาะแค่วันพระเท่านั้นครับแต่ที่น้องเห็นแทบทุกวันนี้เป็นของนักศึกษาที่มาบ่นบานศารกล่าวท่านทั้งเรื่องการเรียนเรื่องการสอบแม้กระทั่งเรื่องความรักและพอสิ่งที่บ่นไปสําเร็จเขาก็จะมาแก้บ่นกันน้องไม่ลงบ่นบอกท่านดูล่ ผมได้ฟังก็ยิ้มยิมและพูดว่าครับครับเดี๋ยมีโอกาสจะลองบนขอท่านเองครับจากนั้นผมก็กลับมานอนคิดอยู่นานว่าประเทศไทยเรามีศาลพระพรมเป็น100ร้อยศาลถ้ามีผู้คนเป็นจำนวนมากมาบนขอสิ่งใดก็ตามในสถานที่ที่ต่างกันตามที่ตนเองต้องการแล้วและขณะเวลาที่ผู้คนเหล่านั้นกําลังบนขออยู่บังเอิญวันและเวลามันตรงกันพอดีท่านจะเลือกช่วยใครก่อนซึ่งผมเองยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยแล้วก็ไม่สงสัยเปล่า ก็เลยเกิดการท้าทายขึ้นคิดได้อย่างนั้นผมเลยเดินลงมาจากห้องที่ผมพักและก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นว่าไม่มีใครอยู่ใกล้กับสารพระพรหมนั้นผมจึงพูดเบาเบาขึ้นว่าถ้าท่านมีอยู่จริงก็อยากจะเห็นนะพัะประเทศไทยไม่รูปองค์ท่านเป็นร้อยเป็นพันแห่งท่านจะรับรู้ได้ไงว่าใครมาบุบบานท่านบ้างและเมื่อเสร็จสิ้นจากสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวในที่ตรงนั้นแล้วผมก็ทําตัวเป็นปกติก็ไปเรียนกลับมาก็เข้าหอนอ น, อนพัก ไม่มีอะไรผิดปกติเฉยๆไม่มีอะไรแปลกไปจากนี้จนกระทั่งสมอาทิตย์ผ่านไปผมก็ลืมไปแล้วว่าผมได้เคยพูดอะไรไว้คืนนั้นเป็นเวลาตีสามเกือบจะตีสี่ผมกําลังนอนอยู่ในหอพักรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกอึดอาจจนบอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างมาอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายทนไม่ไหวก็เลยลืมตาขึ้นมาดูและภาพที่ปรากฏให้ผมเห็นก็คือเท้าขนาดใหญ่กําลังเหยียบอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายของผม ซึ่งตำแหน่งนั้นมันตรงกับหัวใจของผมพอดีผมกวาดสายตาขึ้นไปอีกนิดก็เห็นกับใบหน้าหนึ่งคล้ายๆกับยักษ์สีออกคล้ายๆทองเหลืองเก่าๆออกไปทางดํำสมากเจ้าของใบหน้านั้นก็คือเจ้าของตีนที่หยิบอยู่บน อ, อกผมนั่นเองยืนทําหน้าเหมือนโมโหมากเคี้ยวทั้งสองข้างโค้งผมตกใจมากแต่ไม่สามารถจะขยับตัวได้พยายามจะร้องให้เพื่อนช่วยแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรออกไปอาการตอนนั้นทั้งกลัวและหายใจไม่ออก แล้วจู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาเองโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะร้องไห้ระหว่างที่กลัวและน้ำตาไหลยอยู่นั้นก็เริลึกถึงเหตุการณ์เป็นลำดับๆแล้วมันก็นึกขึ้นได้ว่าผมเคยไปพูดจาถ้าถ่ายพระพรห ม, มาไว้เมื่อริอลึกขึ้นได้ผมก็พูดในใจว่าลูกเชื่อแล้วว่าท่านมีอยู่จริงลูกจะนําหมากครูไก่ต้มเหล้าขาวพร้อมทั้งภูมมิลามาขอขมาลาโทษต่อท่านเพียงแค่กล่าวในใจจบแค่นั้นอาการทรมานที่เป็นอยู่ก็หยุดลง พร้อมกับฝ่าเท้าขนาดใหญ่และร่างอันใหญ่โตนั้นก็ค่อยๆหายไปให้ความรู้สึกเหมือนว่าตัวผมเองนั้นได้ฝันไปพอถึงตอนเช้าผมก็รีบเข้าไปในตลาดจัดแจงซื้อเครื่องเส้นข อ, ของขมาและนำมาถวายท่านจากนั้นเหตุการณ์ก็ปกติเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่ผมยังจาขึ้นใจเวลาไปที่ไหนๆเวลาเจอสามพระพรมผมก็ใชเข้าไปขอพอรโดยไม่ลังเลเลยสักนิดครับ บอกว่าเรื่องนี้คงจะพอตือนเพื่อนๆเกี่ยวกับการลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นได้บ้างนะครับผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับสั้นไปอีกแล้วเอาอีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากพี่สัมเริงครับพี่สัมเริงสังสุวรรณได้แถบทอดเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับแกเมื่อตอนที่แกอายุ20ปีเรื่องราวของแกจะเป็นยังไงลองฟังดูนะครับสวัสดีครับผมสัมเริงครับตอนที่ผมอายุ20กว่าปีนั้น ผมบอกจะเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือผมได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยพอใช้ได้เธอเป็นคนพิษนุโลกบ้านหนองตมอำเภอพรหมพิรามแฟนผมคนนี้อยู่บ้านคลองมะเกือผมจะต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพพิษนุโลกบ่อยมากมีอยู่ครั้งหนึ่งผมซื้อตั๋วรถที่หัวลำโพงที่หกโมงครึ่งหรือทุ่มครึ่งนี่แหละจาไม่ค่อยได้เดินทางด้วยรถไฟนี่มันเพลินดีฟังเสียงรถไฟวิ่งไปมันก็ดัง เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังฉึกฉักฉึกฉักเรื่อยไปได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่อยู่ข้างทางได้มองเห็นทุ่งนาแสงดาวในายามค่ําคืนมันก็เพลินดีและผมก็เผลอหลับไปตื่นหนึ่งตื่นอีกทีหนึ่งเสียงประกาศที่นี่สถานีกรมพิรามสถานีต่อไปหนองตมรถไฟขบวนนี้จะสิ้นสุดที่เด่นชัยผมจะรีบจัดเตรียมกระเป๋าพร้อมไว้ความรู้สึกตอนนั้นหัวใจเป็นพองโตถึงสัที ไม่ถึงครึ่งชั่วโมองรถไฟก็จอดที่สถานีหนองตมผมก้าวลงมายืนที่ชานชลามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยอ้าวเราลงมาคนเดียวหรือนี่เหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือมันก็ตีสองคึ่งมันทั้งว่งเวงและก็ปเปล่าเปลวเหลือเกินตายแล้วว่าทาไงดีสถานีก็เงียบมากในสถานีหายไปไหนเนี่ยคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจเดินไปตลาดดีกว่า บางทีก็อาจจะได้เจอกับแม่ค้าที่เข้ามาจัดของเตรียมขายระยะจากสถานีไปตลาดนั้นก็ไม่ไกลมากในยุคนั้นบ้านร้านค้าจะเป็นบ้านไม้ส่งชั้นไม่มีเซเวน่นเมื่อผมเดินไปได้สักพักก็ถึงตลาดแต่ผมคิดผิดที่ตลาดไม่มีแม่ค้าเลยสักคนหนึ่งตามสายตาที่เห็นในเวลานั้นก็มีตา ม, มาซึ่งณเวลานั้นมันทั้งเห่าทั้งหอนกนระงมเยือกเย็นต่อสวดระสาทที่ได้ยินมาก ตลาดที่เป็นเพิงไม้มุงด้วยสังกะสีวางของขายด้วยแคร่ไม้ไผ่เราเนี่แหละเมื่อมองไปรอบกายแล้วไม่เห็นคนมีแต่สีหมาที่พากันหอนมองดูนาฬิกาอีกทีนึงขณะ น, นี้เวลาก็ตีสามเข้าไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่จะตัดสินใจได้ก็คือรีบเดินออกไปจากที่ตรงนั้นแล้วไปบ้านแฟนให้ไหวที่สุดเท่าที่จะไหวได้ดีกว่าระยะทางมันก็แค่3ากิโล ก, กว่าเองเอาะวะเง้มองดูท้องฟ้ามันก็เป็นเดือนง่ายซะด้วยจะกลัวอะไรกัน รำพึงรำพันกับตัวเองแล้วก็ตั้งใจเดินอย่างแน่วแน่ถนนหนทางที่เดินไปบ้านมะเกือนั้นเป็นถนนลูกรองความกว้างประมาณ4ี่เมตร2ฝัง่งถนนนั้นเป็นต้นหญ้าคอมงผ่านต้นหญ้าคาไปก็เป็นท้องนาผมก็เดินไปคิดอะไรเป็นเพลินอยู่แล้วสายตามันก็มองไปเห็นอะไรบางอย่างขาวๆมาแต่ไกลเอ๊ะรู้จะเป็นแม่ค้าเอาของมาขายที่ตลาดผมเริ่มยิ้มได้เมื่อภาพนั้นเข้ามาใกล้ใช่เป็นแม่ค้าจริงๆ อย่างน้อยเราเองก็ไม่ได้ปล่าเปลี่ยวคนเดียวและเมื่อแม่ขาคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นผมก็สังเกตเห็นว่าทําไมหาบที่แม่ขาหาบมานั้นมันไม่มีการขยับเลยก็เลยเพ่งสายตามองไปที่หน้าของแม่ขาคนนั้นดูความรู้สึกผมตอนนั้นตัวเย็นรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีแม่ขาคนนั้นหน้าขาวมากผมยาวที่สําคัญดวงตาไม่มีเดินแข็งทื่อเลย อีกข้อสําคัญก็คือมองไปที่ตีนของแม่ขาคุณนั้นมันไม่ติดดินลักษณะเหมือนลอยแขว่งไปแขว่งมาในอากาศช่วงจังหวะที่กํลาลังผ่านผมไปนั้นผมหัวใจจะวายเอาให้ได้ผมได้แต่กลั้นใจรีบเดินต่อแบบที่ร่างกายมันเดินได้ช้ามากเมื่อผ่านพ้นโซนอันตรายมาได้สักระยะหนึ่งผมก็ต้องมาชะงักอีกเพราะข้างหน้ามีเงาของต้นโพผ่านทับถนนเงานั้นเห็นได้ชัดมากเพราะมันเป็นคืนเดินหงาย ทั้งเหงื่อแตกทั้งหนาวทั้งเสียวสันหลังอาการนี้มาครบนึกถึงคําที่พ่อเคยบอกไว้ได้ถ้าเจออย่างนี้ให้กลั้นใจเดินถ้ามีเสิ่งอะไรเกิดขึ้นก็อย่าได้หันกลับไปมองเด็ดขาดเอาวะกลั้นใจแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปตุบเฮ้ยทําไมมันต้องจริงอย่างที่พ่อเคยเตือนด้วยเนี่ยเสียงนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเดินไม่ผลงเงาเลยและไอ้ตุบนั้นมันก็มาตุ๊บอยู่ข้างหลังผมด้วยความเผลอแบบไม่มีสติผมเลยหันไปมองเข้า โอยตายมีเงาดำๆดูดบุหรี่ไฟแดงวบๆตอนนั้นไม่ต้องรอให้ใครบอกผมวิ่งทันทีวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้ว่ามาถึงวัดของมอเกืือตอนไหนและเมื่อมาถึงวัดผมก็พักนิดหนึ่งมันเหนื่อยจริงๆสมองมันต้องคิดอีกจะไปทางไหนต่อดีจะเดินข้ามสะพานวัดมันก็ถึงบ้านแล้วหรือจะเดินอ้อมวัดไปมันก็ไกลขึ้นอีกมากโอยไม่ไหวแล้วเป็นไงเป็นกันเดินผ่านวัดมันนีแหละชักโมโหแล้ว และผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆผ่านวัดแล้วก็ต้องเดินผ่านอีกที่หนึ่งนั่นก็คือที่เก็บศพตอนนั้นไม่รู้ว่าเหงื่อมันออกมาจากไหนเหมือนคนที่ตกน้ํามาทั้งที่อากาศรอบข้างก็ย็นยะเยือกแต่ช่างมันเถอะพาป่าช้ามาแล้วเป็นไงเป็นกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเห็นบ้านแล้วช่วงจังหวะที่ผมเดินลงสะพานไม้ไผ่สองลำที่จับก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกันก็เดินไปจนถึงกลางสะพานก็ต้องตกใจความรู้สึกมันเหมือนว่ามีคนวิ่งมาข้างหลัง รีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่มีอะไรหันหน้ากลับเพื่อเดินต่อจังหวะนั้นสะพานเกิดอาการสั่นแรงมากผมตกใจมากและก็กลัวมากๆพร้อมกับโมโหอย่างมากแต่โกนดังๆเลยมึงจะเอาอยัางไงกับกูวะเท่านั้นแหละเงียบกริบนิ่งจนใจเย็นสักพักหนึ่งแล้วผมก็เดินต่อจนถึงริมสะพานที่เป็นทางดินที่ชาวบ้านก็ทําเป็นชั้นๆไว้อีกไม่ถึงร้อยเมตรก็ถึงบ้านแต่ผมก็ต้องสะดุดและตกใจอีก เพราะว่าในเมื่อลมมันไม่มีแล้วพุ่มไม้ข้างหน้ามันจะสั่นได้ยังไงผมมองดูต้นอื่นๆที่อยู่รอบข้างมันก็ไม่สัน่นมโหสุดขีดกลัวด้วยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วกระโดดใส่มันซะเลยแล้วก็นอนหัวเราะเหมือนคนบ้าสิ่งหัวร้องผมดังมากจนแฟนผมได้ยินแกเลกยจุดตะเกียงขึ้นแล้วก็ร้องเรียกพี่เริงพี่เริงใช่ไหมผมได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วก็ตอบว่าใช่ผมเองครับและก็จบลงแล้วครับกับเรื่องของพี่สําเริง ก็ไล่กันมาตั้งแต่เรื่องของคุณหนึ่งนักเดินทางแล้วก็คุณลูกเราสลาปเปาซิ่งจนมาถึงเรื่องของพี่สัมฤทิ์เป็นเรื่องสุดท้าย mm. ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้แชร์เรื่องราวแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ